ที่ทานบนทางที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษตราบแรงลมจะพาพัดปล่อยใจลอยล่องใน